บัดนี้จกสแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปอนุสติข้อต่อไปนั้นคือกายคตาสติแปลว่าการตั้งสติระลึกดูที่กายของตนกรรมฐานหมวดนี้มีชื่อเรียกอยู่สามชื่อด้วยกันในมหาสติปัฏฐานในสูตร ทรงใช้คําว่าปฏิกู ล, ละประพภะคือหมวดด้วยว่าว่าด้วยเรื่องปฏิกูลของร่างกายและในคิริปมาโนเตศูตรใช้คําว่าอสุภะสัญญาคือการกําหนดหมายหเห็นความไม่สวยไม่งามแห่งร่างกายในการกําหนดพินิษพิจารณานั้นมีจุดมุ่งหมายอยู่ที่ต้องการจะบรรเทาราคะคือความกําหนัดใน วัตถุกรรมทั้งหลายได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสผพิ ภ, ทภัที่ใจไปกำหนดว่าน่าใคร่น่าปรารถนาหน้าพอใจซึ่งการมองกายตนและกายบุคคลอื่นในลักษณะนี้ย่อมเป็นปัจจัยที่จะให้เพิ่มราคะโลภะความกำหนัดความรักใคร่ยินดีในสิ่งนั้นๆให้สูงขึ้นจนกลายเป็นหนี้ที่ ไม่ชำระได้หมดสิ้นและเป็นการเพิ่มภูมให้เชื้อแก่ตันหาจริตที่มีอยู่ภายในจิตใจและราคะจริตให้มีความเข้มข้นสูงขึ้นในที่สุดก็จะกลายเป็นความหมกปุ่นมัวเมาในกามาคุณทั้งหลายการกำหนดให้ปิณิพิจนาณนั้นทรงสอนให้แยก ร่างกายออกเป็นส่วนๆที่เรียกว่าออกเป็นอาการ32มีผมขนและฟันหนังเนื้อเลือดหนองเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกมาหมว่าตับปังผืตไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเป็นต้นโดยแยกขึ้นมาพินิษพิจารณาแต่ละอย่างแดียวขั้นตอนในการปฏิบัตินั้นท่านแบ่งเป็นชุดๆคือนาขึ้นมาบริกรรมรวดเดียวครบทั้ง32อาการ เมื่อมีความชำนิชำนาญดีแล้วก็ให้บริกรรมชุดละห้าเช่นเกษาโลมานะคาดันตาตโจเป็นต้นพอมาว่าถึงจุดนี้แล้วก็ย้อนกลับไปเป็นตโจดันตานะคาโลมาเกษานี่เป็นชั้นของการบริกรรมการบริกรรมในลักษณะนี้ถือว่าเป็นอุปาญวิธีประกาศที่จะบรรเทาราคาความกำนัด ซึ่งบังเกิดขึ้นภายในจิตใจแม้เพียงลำพังบริกรรมอุบายวิธีในลักษณะนี้ก็ทำนองเดียวกับที่โบราณท่านสอนว่าเวลาเกิดความโกรธขึ้นมาก็ให้นับหนึ่งถึงเสียก่อนถ้ายัางไม่หายก็ให้นับหนึ่งถึงรอซึ่งลักษณะเหล่านี้ก็เป็นอุบายวิธีดังกล่าวคือเป็นการเปลี่ยนความคิดจากการเพิ่มเชื้อของความโกรธ เป็นความใส่ใจถึงตัวเลขที่เราจะต้องนับเชื่อของความโกรธก็ถูกตัดออกไปในขณะนั้นเพราะโดยสภาพปกติแล้วใจคนจะระลึกถึงเรื่องอะไรในขณะเดียวกัน2 อ, อย่างไม่ได้เมื่อไประลึกถึงการนับก็จะบรรเทากระแสของความโกรธให้ลดลงในเรื่องการบริกรรมอาการทั้ง32ก็มีลักษณะอย่างนั้น เมื่อจิตเกิดความกำหนัดความยินดีปรารถนาดุนแรงขึ้นในวัตถุกรรมทั้งหลายท่านก็สอนให้บรรทาด้วยการสาธยายคือยกเอาผมขนและฟันหนังขึ้นมาสาธยายแล้วก็สาธยายไปชุดละห้าชุดละห้าเรื่อยไปจนสามารถที่จะสาธยายกลับไปกลับมาได้ทํานองเดียวกับการสาธยายอิติปิโส8ดทิศ อย่างที่โบราณท่านใช้สาทยายกันคือเป็นการเบนความสนใจจากจุดที่จะเพิ่มเชื้อกิเลสไปหาจุดที่จะเพิ่มเชื้อความสงบขึ้นในชั้นหนึ่งนั้นก็สอนให้นาเอาแต่ละอย่างขึ้นมาพินิจพิจารณาคือมองในแง่ของความจริงที่แท้จริงโดยหลักของอสุภสัญญา คือความไม่สวยไม่งามของสิ่งเหล่ากันและสิ่งที่จะนำมาพินิษพิจารณานั้นก็ให้พิจารณาโดยสีโดยสันฐานโดยกลิ่นโดยที่เกิดโดยที่อยู่ของอาการทั้ง3านั้นฉันว่าพิจารณาโดยสีอาจจะยกตัวอย่างผมขึ้นมาพินิษพิจารณาก็จะเห็นว่าผมนั้นโดยสีก็ไม่สวยงามอะไรโดยกลิ่นก็มีกลิ่นที่ไม่สะอาด โดยรูปร่างรูปร่างก็ไม่สวยงามวิจิตพิดาณอะไรโดยที่อยู่ก็ชุ่มชื้นอยู่ด้วยปุโพโลหิตมีระการต่างๆโดยที่เกิดก็เกิดมาจากปุโพโลหิตเหล่านั้นส่วนมากแล้วการพิจารณาในตอนต้นก็จะเอาสิ่งที่ปรากฏแก่สายตาขึ้นมาพิจารณาคือผมขนเล็บฟันหนังพระองนั้นจะอยู่ภายในต้องอาศัยการน้อมใจนึกออา หรือบางครั้งบางคราวก็ต้องอาศัยไปพบเห็นภาพเหล่านั้นจึงจะสามารถน้อมนึกโดยสีโดยสันฐานโดยกลิ่นโดยที่เกิดโดยที่อยู่ของสิ่งเหล่านั้นได้การพิจารณาในลักษณะนี้เมื่อนำพินิจพิจารณาบ่อยในชั้นแรกความสงบก็จะปรากฏขึ้นภายในจิตใจต่อไปก็จะเกิดความเปลี่ยนแปลงในทางจิต ตอนนี้ทรงแสดงถึงขั้นตอนของความเปลี่ยนแปลงเอาไว้โดยในยะหนึ่งว่าบุคคลที่มีปกติพิจารณามองเห็นความไม่สวยไม่งามของกายตนและกายบุคคลอื่นแต่ชั้นของกายยกรดาสตินั้นเป็นการดูที่กายตนเป็นเบื้องตนทา น, นี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าเป็นสิ่งที่ใกล้ชิดต่อตน และตามปกติแล้วจิตใจของบุคคลก็จะกำนัดยินดีเพลิดเพลินในความสวยความงามของกายตนเป็นพื้นต่อจากนั้นก็จะมองในลักษณะเดียวกันต่อสิ่งอื่นแต่ถ้าหากว่าจิตใจของบุคคลมีปกติมองเห็นความไม่สวยไม่งามของร่างกายโดยลักษณะดังกล่าวหรือมองในลักษณะที่ทรงสอนโดยอุปมาว่า ร่างกายของคนเรานั้นเหมือนกระถุงที่ผูกไว้ทั้งสองด้านแล้วก็บรรจุสิ่งของต่างๆไว้เป็นนั้นมากเวลาบุคคลเทถุงนั้นออกมาสิ่งเหล่านั้นก็จะปรากฏตามสภาพของมันร่างกายของบุคคลเราก็มีลักษณะเช่นเดียวกันประกอบด้วยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นเมื่อแยกแยะออกไปก็จะกลายเป็นสิ่งนั้นนัน การพิจารณาบ่อยๆการนึกถึงอยู่บ่อยๆก็จะสำรอกความกำหนัดความยินดีในกายตนให้เบาบางลงไปและก็จะสำรอบความพอใจเหล่านั้นในกายของบุคคลอื่นด้วยความเปลี่ยนแปลงในชั้นต่อไปก็คืออินทรียสุสังมุตังคือจะมีการสำรวมระวังอินทรีย ไม่สายไปเพื่อจะดูรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรส ถ, ถูกต้องผพิตภัณฑหรือนำสิ่งที่ผ่านมาแล้วตรึกนึกปรุงแต่งอันเป็นทางให้เกิดการมาฉันทะความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้นๆจนถึงก็เกิดเป็นรูปของตัณหาความทะเยอทะยานอยากได้ในอารมณ์ที่ตนใคร่ตนปรารถนาตนพอใจการสำรวมระวังอินทรีย์ ในความหมายของการปฏิบัตินั้นเป็นการสำรวมระวังอินทรีย์ในกรณีที่เห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นริมรส ถ, ถูกต้องพูตภะได้แล้วอากุศลที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นที่เกิดแล้วจะเพิ่มพูดมากยิ่งขึ้นวัตถุนั้นสิ่งนั้นถ้าให้สำรวมระวังคือไม่มานสิการไม่ใส่ใจถึงแต่ในขณะเดียวกัน สิ่งที่ไม่ดีทั้งสิ่งที่ดีๆทั้งหลายก็ผ่านมาทางประสาทสัมผัสเช่นเดียวกันคือด้วยเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูเช่นเดียวกันดังนั้นในกรณีนี้ท่านก็ให้มานสิการคือให้ใส่ใจถึงสิ่งเหล่านั้นคําว่าความสํารวมระวังอินทรีย์จึงหมายเพียงสํารวมระวังในกรณีที่อาจจะเกิดอกุศลในลักษณะใดลักษณะหนึ่งขึ้นเท่านั้น เมื่อเกิดความเปลี่ยนแปลงในชั้นของอินเซียสังวรคือความสำรวมอินรีย์แล้วต่อไปทรงใช้คำว่าโภชนามิจมัดตันยุงคือจะรู้จักประมาณในการบริโภคโภชนะตลอดถึงการใช้สอยสิ่งต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเรื่องของปัจจัยทั้งสีประการที่เป็นปัญหาในการดำรงชีวิต ในการบริโภคอาหารก็จะบริโภคเพียงเพื่อยังอัติภาพให้เปลี่ยนไปไม่สุดโสมนั้นด้วยอาศัยร่างเพื่ออาศัยร่างกายอันจะเปื่อยหน้าผุพังไปเป็นธรรมดาประกอบกรณยกิจอันเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้เกิดคุณธรรมความดีขึ้นภายในจิตใจขังนตนในการใช้เครื่องนุ่งห่มเพื่อปกปิดร่างกายอันปฏิกูลนี้ ก็จะเพ่งเรงไปที่วัตถุประสงค์ของการบริโภคเท่านั้นเองพอเมื่อสามารถปกปิดอวัยวะที่ควรปกปิดป้องกันเหลือบยุงลมแดดหนาวร้อนอันตรายจากสัตว์ต่างๆได้ก็สำเร็จประโยชน์ได้ในเรื่องที่อยู่อาศัยก็จะมองเพียงเพื่อสำเร็จประโยชน์โดยนัยดังกล่าวใจก็จะสายไปในอารมณ์ต่างๆน้อยลง ไม่มีการปรุงคิดคิดปรุงที่จะได้มาซึ่งอาหารอันประณีตเสื้อผ้าอันประณีตหรือที่อยู่อาศัยอันประณีตเพราะถ้าหากว่ามีการไขว่คว้าปรารถนาจนเกินส่วนความไม่สงบก็จะบังเกิดขึ้นภายในใจิตใจและในที่สุดบุคคลก็จะตกอยู่ในฐานะของธาตุแห่งกิเลสเหล่านั้น คือจะต้องมุ่งเพียรพยายามตอบสนองกันอยู่ร่างไปก็ต่อไปก็คือศรัทธาจะปรากฏเปี่ยมล้นขึ้นภายในจิตเป็นที่น่าสังเกตว่าศรัทธาที่บังเกิดขึ้นนั้นจะทำหน้าที่ขจัดกามฉันไปด้วยเพราะอะไรเพราะลักษณะของกามฉัน มีความคุณมัวมีความร้าหมองเป็นลักษณะท่านอุปมาพื้นจิตที่ประกอบด้วยการมาฉันคือความรักใคร่ความกำหนัดความยินดีความพอใจว่าเหมือนน้ำลางเนื้อซึ่งมีความคุณมีความไม่สะอาดประดุจแต่ว่าตัวสตามีความผ่องใสเป็นลักษณะซึ่งหมายความว่าเมื่อสตาบังเกิดขึ้น มีการน้อมใจเชื่อถึงการศัสรูของพระพุทธเจ้าถึงสัจธรรมอันพระผู้มีพระภกกาคก่าทรงแสดงเอาไว้ความพองสายก็จะปรากฏเกิดขึ้นภายในจิตเมื่อความพองสายปรากฏขึ้นก็จะทำหน้าที่ขจัดความขุ่นข้นด้วยอำนาจของกาลมาชันชเป็นต้นให้เบาบางลงไปต่อแต่นั้น ความเพียรพยายามในการเสริมสร้างกุศลก็จะบังเกิดขึ้นซึ่งชั้นของความเพียรพยายามในชั้นนี้เป็นเรื่องความเพียรพยายามในทางจิตใจเมื่อกล่าโดยสรุปก็คือหลักของสังวรประทานเพียรพยายามไม่ให้บาปเกิดขึ้นภายในจิตใจปนานประทานเพียรละบาปละกุศลที่มีอยู่แล้ว เป็นอยู่แล้วภายในจิตภาวนาประทานเพียงเสริมสร้างคุณธรรมความดีให้บังเกิดขึ้นภายในจิตและอนุรักษณาประทานเพียงรักษากุศลคือความดีที่มีอยู่แล้วทำให้เกิดขึ้นแล้วให้เป็นแล้วไม่เสื่อมไปความพยายามในลักษณะนี้ก็เป็นการปฏิบัติไปตามเหมาะตามควรแก่ลักษณะแก่กิตแก่อารมณ์ที่บังเกิดขึ้น เมื่อเกิดความเพียรพยายามต่อแต่นั้นกุศลกระทำความดีต่างๆก็จะบังเกิดขึ้นในแง่ของอริยมรรคทั้ง8ประการก็จะเป็นการเสริมสร้างตัวสมาสติคือความระลึกชอบขึ้นจิตใจของบุคคลก็อย่างลงสู่ครองแข็งสมาสมาธิทรงแสดงสภาพจิตของบุคคลที่เริ่มต้น มาจากการมองให้เห็นความปฏิกูลความน่ากเกลียดของร่างกายที่มีผลกระทบต่อความเปลี่ยนแปลงทางจิตซึ่งดำเนินไปในครองแห่งกุศลโดยลำดับว่าจะมีลักษณะมั่นคงขึ้นเปรียบเหมือนภูเขาศิลามีแท่งทึบจะไม่หวั่นไหวต่อลมที่พัดมาจากทิศทั้งสี่เชนนั้นแต่ใน ในทรรนองตรงกันข้ามคือถ้าหากว่าเป็นการมองในลักษณะถูกย้อมจิตด้วยความกำหนัดความยินดีในสิ่งนั้นนั้นแล้วก็จะก่อให้เกิดเป็นการไม่สำรวมระวังอินทรีย์มีไม่รู้จักประมาณในการบริโภคอาหารมีความเพียรพยายามจะย่อจอดคือประกอบด้วยความเกียจคร้าน ลักษณะสัาที่บังเกิดขึ้นก็จะง่อนแง่นคลอนแคลนไม่มั่นคงหวั่นไหวไปตามอารมณ์ซึ่งบังเกิดขึ้นสภาพจิตในลักษณะนี้เป็นเหมือนต้นไม้ที่เกิดขึ้นริมเขาขาดเวลาถูกลมพัดมาก็จะหักโค่นลงได้ง่ายดังนั้นเรื่องของกายกตาสติคือการตั้งสติระลึกถึงกาย หรือเรียกว่าการมองเห็นความปฏิกูลหรือมองเห็นความไม่สวยไม่งามจึงเป็นการสแสวงหาความจริงที่แท้จริงอันมีอยู่ในร่างกายของเราในร่างกายของบุคคลอดแต่ว่าการเพียรพยายามปฏิบัติในลักษณะนี้ไม่ได้สอนให้จิงชางร่างกายจนถึงกับทำลายร่างกายไปแต่สอนให้บุคคลเข้าใจว่า ชีวิตของเรามีลักษณะเหมือนกับอยู่บนแผยหยกด้วยโอกาสที่จะผุพังเปื่อยเน่าไปนั้นใกล้เข้ามาทุกขณะแต่วันใดขณะที่ยังอาศัยแพ่นั้นได้อยู่ก็ต้องเพียรพยายามที่จะหาที่ยึดที่เกาะซึ่งมั่นคงกว่านั่นก็คือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในด้านความรู้สึกนึกคิดจิตใจให้พยายามเรียนรู้ความจริง ของร่างกายตนและกายบุคคลอื่นซึ่งเป็นตัวสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลตลอดมาเพราะอะไรเพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตนั้นให้ลองสังเกตว่าเป็นพฤติกรรมที่ซําซ้อนเปลี่ยนได้เพียงกาละเปลี่ยนแต่เพียงบุคคลแต่ตัวพฤติกรรมนั้นไม่เคยเปลี่ยน เพราะเป็นการกระทาไปตามแรงกระตุ้นของตันหาของราคะของความกำนัดจินตีซึ่งบางครั้งบางคราวมีความรุนแรงสูงก็ออกมาในรูปของอาชญากรรมต่างๆอย่างที่สร้างความอกสันขวัญแขวนให้บังเกิดขึ้นในสังคมมาทุกยุคทุกสมัยแต่การพิจารณาในลักษณะนี้เป็นการควรกระแสของกิเลสขึ้นไปเป็นเรื่องยาก แกการที่จะทวนกระแสะกิเลสเหล่านั้นขึ้นไปได้ผู้ปฏิบัติจึงต้องมีความรอบรู้ถึงความจริงอย่างแท้จริงในกายตนนั่นก็คือการยกขึ้นมาพินิจพิจารณาล่อยเรียนรู้ความจริงจากสิ่งที่ผ่านมาในชีวิตของตนซึ่งบางครั้งบางคราวอาจจะเรียนจากอวัยววะที่ร่วงหล่นไป เช่นผมซึ่งร่วงหล่นไปจากที่ที่เคยจูบคนที่ร่วงหล่นไปเล็บที่ตัดลงไป้วยกขึ้นมาพินิจพิจารณาทุกครั้งที่เกิดความคิดในแนวนี้จะเป็นการก่อตัวของความรู้เหตุรู้ผลเป็นการก่อตัวของอสุภสัญญาให้มีปริมาณมากขึ้นภายในจิตใจท่านนั้นอุปมาในเรื่องเหล่านี้จึงทรงแสดงไว้โดยอเนกกปริยาย เช่นบางครั้งทรงสอนให้มองเหมือนกับเปลวไฟที่บุคคลถือถวนกระแสะลมไปคือการเกี่ยวข้องกับอารมณ์หน้าครหน้าปรารถนาหน้าพอใจนั้นในส่วนหนึ่งก็มีคุณแต่ว่าส่วนที่เป็นโทษนั้นมากกว่าอย่างที่ทรงใช้คำว่าอัปัสซาดาดุ่าการมาอิติวิญญาญปันิโตบันฑิตรู้ว่ากามนี้มีคุณน้อยแต่มีโทษมาก มันเหมือนกับการถือคบเพลิงทุนลคุณก็คือการให้แสงสว่างแต่โทษก็คือความเร้าร้อนแต่ความเร้าร้อนนั้นมีลักษณะที่รุนแรงมากกว่าแสงสว่างซึ่งเราได้จากคบเพลิงนั้นบางครั้งบางคราวทรงสอนให้พิจารณาในรูปของเขียงที่สับเนื้อโดยให้มองเห็นว่าเขียงที่สับเนื้อนั้นในที่สุดก็ต้องสึกกร่อนไปโดยลาดับ ไม่สามารถที่จะรู้รสชาติที่แท้จริงของเนื้อนั้นได้การเกี่ยวเกาะกับอารมณ์ที่เรียกว่ากามคุณก็มีลักษณะเช่นเดียวกันหรือบางครั้งก็เปรียบเหมือนสีสระอสรพิษซึ่งจะเห็นได้ว่าคนที่ไปเกี่ยวข้องกับอัศรพิษนั้นจะต้องมีความรอบรู้ในการจับอสรพิษว่าจะจับอย่างไรอสรพิษจึงจะไม่กัดเอาตัวเอง ซึ่งก็มีอยู่บ่อยๆที่ไปจับอสราพิษแทนที่จะได้อสราพิษแต่ถูกอสราพิษกัดเาการเกี่ยวข้องกับอารมณ์ทั้งหลายก็มีลักษณะอย่างนั้นถูกอารมณ์ต่างๆซ้มเติมจุดกระชากไปสู่อำนาจของอารมณ์เหล่านั้นจนถึงกับทำทุจริตมีประการต่างๆบางครั้งพระพุทธเจ้าต้องใช้วิธีในลักษณะที่เรียกว่าน้าย่อกว่าน้าบง เจนทรงสอนพระนิถะพกินีของพระองค์คือพระนางรูปปนันธาเทรีซึ่งเป็นคนที่มัวเมาในความสวยงามของรูปร่างร่างกายเป็นอย่างยิ่งพรองต้องใช้วิธีสร้างเป็นรูปนิมิตขึ้นมาจนนางเกิดความพอใจความยินดีในรูปนั้นและทรงบันดาลในรูปนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจนในที่สุดล้มลงตาย ร่างกายก็เริ่มพองขึ้นตามสภาพของสพและเปื่อยเน่าไปในที่สุดโดยทรงเชีให้เห็นถึงความจริงว่าความปฏิกูลของร่างกายก็ดีหรือความแตกดับของร่างกายก็ดีแท้ที่จริงแล้วเป็นไปเร็วเหลือเกินสิ่งที่ขาดขวางเอาไว้ก็คือตัวกาละคือการเวลาที่มาคั่นเอาไว้เท่านั้นจากจุดเกิดถึงจุดดับจากจุดเกิดถึงจุดเสื่อม เป็นระยะที่ใกล้เคียงกันแต่อสัยกาละมาขวางเอาไว้นั้นประการหนึ่งอศัยจิตที่ถูกโมหะกลุ่มรุมเอาไว้ประการหนึ่งถูกราคะซึ่งเป็นกิเลสที่ย้อมใจเอาไว้ประการหนึ่งทำให้บุคคลไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาแสวงหาความจริงในส่วนนี้จึงปล่อยใจให้เกิดกำหนัดในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดและมีความกำหนัดอยู่ร่ำไป ไม่มีคำว่าอิ่มคำว่าพอในอารมณ์เหล่านั้นดังนั้นการที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงความรู้สึกเหล่านี้แม้ในชั้นของการบัเทั่วก็จะทำได้ด้วยการพินิจพิจารณาโดยในยะที่กล่าวแล้วถ้าหากว่าเวลาสัมผัสกับอารมณ์อะไรก็ตามมีการระลึกได้ทั้งสองระดับคือระดับที่ปรากฏแก่สายตา กับระดับที่ใช้ปัญญาเข้าไปโขบเจาะเข้าไปพินิษพิจารณาการมองได้สองระดับอย่างนี้จะลดปริมาณความเข้มข้นของราคะความกำหนัดกามฉันทะความพอใจรักใคร่หรือโลภะความความโลภให้เบาบางลงไปอย่างน้อยที่สุดก็ไม่ถึงกับเป็นอภิชาวิสมาโลภะคือโลภ รุ่มรุ่มดอนดอ น, ดอนไม่สม่ำเสมอจิตใจเอื้อมไปในอารมณ์ต่างๆอยู่ร่ำไปหรือไม่ถูกสิ่งที่เรียกว่าชับปลาคือตันหาเป็นผู้กระสิบกระซิบกระราบกระสิบกระาาก ร, ะบระาบจิตใจมากเกินไปสามารถสงบใจในอารมณ์ต่างๆลงไปได้แต่เมื่อตามได้สูงขึ้นไปกว่านั้นก็จะมองเห็นว่าร่างกายนี้โดยสภาวะที่แท้จริงแล้วไม่มีสาระไม่มีแก่นสารอะไร เช่นที่ทรงสอนโดยอุปมาให้พิจารณาขันท่าว่าให้พิจารณารูปเหมือนกับฟองน้ําพิจารณาเวทนาเหมือนกับต่อมนม้ําพิจารณาสัญญาเหมือนพยับแดดพิจารณาสังขารเหมือนกับกอกล้วยพิจารณาวิญญาณให้เห็นเหมือนกับภาพมายาซึ่งเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วไอ้ฟองน้ําก็มีการเกิดดับอยู่ตลอดต่อมน้ำยิ่งดับเร็วกว่า น, นั้นพยับแดดนั้นไม่มีตัวตนอยู่อย่างแท้จริง กอกล้วยนั้นก็ไม่มีความเป็นกอกล้วยอยู่อย่างแท้จริงเมื่อปอกกล้วยนั้นออกไปแล้วก็ไม่มีความเป็นกอกล้วยเหลืออยู่พวกมายากลต่างๆก็มีลักษณะอย่างนั้นคือไม่ใช่ความจริงแต่เป็นภาพลวงตาเท่านั้นการสอนให้กาหนดพินิษพิจารณาอย่างนี้เมื่อพิจารณาได้ก็จะเสริมสร้างสภาพของจิตใจแห่งบุคคล น, นั้นให้มีความมั่นคงสูงขึ้นจะไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์ต่างๆ และที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้ายังไม่เห็นประจักษ์ชัดด้วยใจสิ่งนั้นก็จะกลายเป็นบารมีธรรมที่เก็บเชื่อไว้ภายในใจอย่างบารมีธรรมที่เก็บอยู่ภายในใจของพระจุลปัญถุกหรือพระยะศาเทระจนในที่สุดทำให้ท่านสามารถมองเห็นสิ่งซึ่งปรากฏแก่สายตาบุคคลอื่นในลักษณะอย่างที่ปรากฏ แต่ท่านเองกลับมองเห็นความปฏิกูลน่าเกลียดแทงสิ่งเหล่านั้นโดยอาศัยเพียงผ้าขาวซึ่งเปื้อนเหงือ่อท่านก็ น, น้อมพินิษฐ์พิจารณาเทียบเคียงจนเกิดอสุภาสัญญาคือการกาหนดหมายเห็นความไม่สวยไม่งามและยกยิดขึ้นสู่จัดใยลักษ์คือพิจารณาเห็นขันห้าตกอยู่ในสภาพของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปวนไปเป็นธรรมดาจนบรรลุอริยผลได้ในที่สุด ดังนั้นกายใจตาสติจึงเป็นกรรมฐานที่มีส่วนอย่างสําคัญในการสร้างความเปลี่ยนความเปลี่ยนแปลงให้บังเกิดขึ้นในจิตใจของบุคคลโดยลําดับแท้นับว่าเป็นกรรมฐานที่ควรแก่การเจริญภาวนาอีกประการหนึ่งต่อจากนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทําความสงบสืบต่อไป